56. อปัตตกาที่วัตถุว่าด้วยคนไม่มีบาทอุปสมบทเป็นต้นห้ามคนไม่มีบาทอุปสมบทข้อ1นึสมัยนั้นพวกพิสูจให้กนละบทผู้ไม่มีบาทอุปสมบทพวกเธออุปสมบทแล้วก็เที่ยวบิดาบาดด้วยมือมนุษย์ทั้งหลายพากันตำหนิประนามโผลนทนาว่าเที่ยวบิดาบาดเหมือนพวกดรีรัตีพิกษุทั้งหลายจึงปราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ ถ้าผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้ไม่มีบาตรไม่เพิ่งให้อุปสมบทรูปใดให้อุปสมบทต้องอาบัตรทุกกฎวงเล็บ16